สมโอทานปริวาทว่าด้วยสมโมทานปริว า, วาวทาวาเพื่ออาบัตตัวก่อนและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง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 สงฆ์ได้ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอสมโมทานปริวาทเพื่ออาบัติตัวก่อนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสง์สง์ได้ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัว ชื่อสัญเจตนิการสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้5วันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่าง ปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุอุทัยเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัติในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทัยนั้นขอสโมโอทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์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 ภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้5วันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้5วันกับสง์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 ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละสโมโอทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัติในระหว่างปิดไวห้าวันสอง ให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้